อันดาของลีลาวดีก็บอกว่ายังไม่รู้นิสัยใจคอของท่านดีพอจึงยังให้คาตอบไม่ได้จนกว่าจนกว่าอะไรท่านพราบเอ่อจนกว่าจะรู้นิสัยใจคอของท่านได้ดีและข้าพเจ้าจะทำยังไงเนี่ยช่วยแนะนำข้าพเจ้าหน่อยสิข้าพเจ้าร้อนใจเป็นบ้าอยู่แล้วนะเนี่ยใจเย็นๆตัววันะเรื่องนี้ไม่อยากหรอกนั่นสิ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 จะไปไหนลีลาวดีไปนั่งเล่นที่สาลหลังบ้านทําไมเจ้าถึงชอบไปที่นั่นนะเห็นไปนั่งได้อยู่ทุกวนันทุกวนันที่ตรงนั้นสบายดีดาวโกมุตที่บ้านสะพรั่งในสระลานหินร่มเย็นภายใต้เงาเอโศกทําให้ข้าว่าเจ้าเป็นสุขใจทุกวันนี้เพราะเลวัตะใช่ม่หล่ะทําให้เจ้าไม่เป็นสุขใจ หลังบ้านใต้โร่มเงาอาโศกเป็นที่หลบความวุ่นวายในคฤหาดได้เป็นอย่างดีแม่ถามก็บอกว่าตรงนี้สบายดีดาวโกมุทิบาลสะพังอยู่ในสระลานสนอันร่มเย็นทำให้เป็นสุขใจขึ้นบ้างแต่ความจริงแล้วเท่าที่มานั่งที่นี่ก็เพื่อสู่บรรยากาศอันอบ อ, อุ่นแต่อดีตเมื่อสิบปีกว่าที่ผ่านมา ตรงนี้เคยเป็นที่อยู่ของเร ว, วตายอดชีวิตเป็นจุดที่ได้พบกับเขาถึงครั้งแรกฝูงปลาแวกว่ายไปมาในน้ำใสหมู่ขมลบินคลุกค้เาเกาสรโกมุสเร ว, วตาถึงคิดถึงเธอวีลาวดีเอ๊ะท่านป็นใครข้าพเจ้าสุวัฒนะสุวัฒนะ ขออภัยที่มารบกวนความสงบสุขไม่เป็นไรข้าพเจ้ามัวแต่มองดูฝูงปลาและหมู่พมอนเดินไปจะไม่รู้ว่าท่านมาท่านคงจะมาหามารดาถ้าเช่นนั้นขอเชิญที่ข้าราชการข้าพเจ้าตั้งใจมาหาเธอเวลาพอดีมารดานะข้าพเจ้าพบแล้วจึงรู้ว่าเธออยู่ที่นี่มารดาข้าพเจ้าบอกท่านละสิถูกแล้วที่นี่ร่มเย็นดีนะ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 แต่พอมาพบเธอครั้งแรกที่ประตูเทวลัยวันนั้นข้าพเจ้าก็โหลงรักอย่างคลั่งคลทันทีตั้งแต่วันนั้นมาข้าพเจ้าก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะคิดถึงเธอบอกตรงๆว่าข้าพเจ้าดีใจเหลือเกินที่ได้พบเธอวันเนี้ดูปลานั่นสิว่ายมาเป็นฝูงปลาว่ายเป็นฝูงหน้าตื่นเต้นอย่างที่เธอว่าแต่กรุณาอย่าเพิ่งตื่นเต้นกับวันนี้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 ไถึงขนาดนั้นรองสุวัฒนะความรักมีอำนาจร้ายแรงสามารถฆ่าคนที่ผิดหวังได้ชนะดีลาวดีแต่อารถ้าอย่างนั้นบอกหน่อยใช่ว่ามีอะไรบ้างที่ทาให้เธอเห็นใจเวลาที่ข้าพรเจ้าเป็นทาสเธอแล้วทั้งกายและใจท่านไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนอกจากคอยเวลาที่จะเป็นผู้ตัดสินเองดีลาวดีในโลกนี้มีคนเป็นอันมาก ที่ปากกับใจไม่ตรงกันแต่ข้าพเจ้าไม่ใช่คนประเภทนนข้าพเจ้าขอรับรองด้วยเกียรติประกูลและอาจารย์ทิสาปามอกแห่งตักกาศิลาว่าคำพูดข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคำพูดที่มาจากความจริงใจจริงเหรอคะทำไมลํำพังคำพูดข้าพเจ้ายังไม่เพียงพออีกแห้วฉี่อยากจะเชื่อแต่ว่าอะไร่ะดิรานดี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 เขา จ, จะมาพบเวาสึกโลงอกที่เขากลับไปจะได้จะได้หาความสุขจากการคิดถึงความหลังต่อไปโดยไม่มีใครรบกวนสายลมเย็นพัดบูบกรีบดอกโกมุตตุ้งผูดลงไปลอยเป็นแพรอยู่บนพื้นนะ้ำมันเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยของธรรมชาติถ้าไม่คิดถึงชีวิตตัวเองวันคืนผ่านไป ชีวิตก็ผ่านไปด้วยรูปร้างกำนิดสวยงามก็นับวันแต่จะร่วงโรยไปในไม่ช้าก็จะถึงความแตกดับคือความตายดุดกลีบโกงมุดที่ร่วงโรยลงสู่พื้นน้าดังปลาดแต่โบราณกล่าวไว้ว่านาเรียดูจะ ง, งามก็เมื่อยามที่ยังยาวแก่แล้วก็เิียวเฉาว่ามีส่วนจะพึงชมดุดดวงบุคชาติ งามวิราชหน้าเด็ดดงแรกบานก็งามสงแต่บ่อนานก็โรยรา วันคืนที้ผ่านพ้นไปเป็นเวลานา น, านแล้วเธอให้ฉันคอยไปถึงไหนบอกให้ชื่นใจทักนหน่อยอะไรกันพอเห็นหน้าก็พูดถึงเรื่องนั้นทันทีเลยเหรอข่าชวถนะเรื่องเนี้เข้ามาฝังจิตฝังใจกลัดกลุ้มจนบอกไม่ถูกฉันเฝ้ารอคอยมานานพอแล้วแต่เธอยังไม่แสดงท่าทีว่าเห็นใจนเลยหรือว่าเธอมีคนอื่นอยู่ในหัวใจนะ่ะถ้กอกว่านี้ เพียแต่แกล้งทรมานใจฉนันเล่นอย่าันใช่ะหมยีลาพดีพึ่อะไรอย่างงั้นแกล้งเรื่องนี้สนุกนักเหรอคะไม่เลยนะสุวรรณะที่ไม่ได้แกล้นแต่เธอควรจะเห็นใจฉันบ้างแล้วฉันเห็นใจอะไรเธอเรื่องของเราเป็นเรื่องใหญ่ตกลงกันโดยขืนสันไม่ได้เพราะถ้าพลาดพลั้งลงไปแก้ไขอะไรอีกไม่ได้จะต้อง ร, รจจะทมเติมใจไปตลอดชีวิตต้องอดทนหน่อยสิคะฮึ่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 ดูอะไรเลยค่าสุวัฒนะดูเธอน่ะสิวิลาวาดีฉันทําไมฉันพูดด้วยเธอไม่สนใจกับฉันเลยใครบอกว่าฉันไม่สนใจไม่ต้องมีใครบอ ก, หอกเห็นอยู่แล้วฉันพูดแต่เธอกลับนั่งมองดูละลอกน้ําในสระเฉยแทนที่จะมองดูฉันบางครั้งก็หยิบอดดอกอโศกที่หล่นขึ้นมาขยี้จนแหลกเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ปาลงไปในสระดูแล้ว เหมือนคนใจรอยจริงๆนะเธอพอจจจะดูฝูงปลาเล็กๆลุงเข้ามายื้ยแย่งกินเยือ่อมากกว่าที่จะสนใจฉันเธอคิดมากไปเองนม่ว่เธอจะพูดอะไรฉันคอยฟังอยู่แล้วตลอดเวลาพีลาพอดีช่วยฉันหน่อยเนะถะเธอแคฉันช่วยอะไรบอกมาเถอะทัศนะคนเรามักจะมองโทษของผู้อื่นแต่โทษตัวเองมักมองไม่ค่อยจเจ็บปวดบอกฉันสิ ว่าทานมีข้อบกพร่องอะไรบอกมาตรงๆรงเลยไม่ต้องเกรงใจฉันยินดีรับฟังแลวจะได้พิจารณาปรับปรุงตัวเองเธอไม่มีอะไรบกพร่องเลยไม่จริงเธอไม่เชื่อที่ฉันพูดหรอพูดเถอะฉันจะฟังนั่นเธอต้องเชื่อเฮ hey, พรฉันจะพูดอยู่เดี๋ยวนี้จริงนะเธอไม่มีข้อบกพร่องอะไรพูดถึงตระกูล เธอก็เป็นตระกูลรามมหาศาลพูดถึงทรัพย์เธอก็มีเท่าชันหรือมากกว่าซะอีกพูดถึงวิชาความรู้เธอก็สําเร็จจากการศึกษามาจากสํานักที่สาปาโมกแห่งปากกาศิลาพูดถึงเรื่องรูปสมบัติเธอก็ดีพร้อมเป็นที่ต้องตาพึงใจของหญิงสาวทั่วไปแต่มันไม่เป็นที่ต้องตาเธอเลย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 ดิฉันก็อกระหอบมาทีเดียวนี่ข่าอะไรล่ะดิฉันได้พบเรวตะพบเีวัตะจะพบเรวัตตะอีนี้เหรอสุวรรณนาถูกแล้วแม่เจ้าดิฉันพบเรวัตตะคือพบเีวัตะที่ไหนบอกที่นมาเร็วหน่อสวุวรรณนานะ ด, ดิฉันพบเรวตะที่บุกผาดามป้ายประตูเมืองก่านที่ตะวันออกดิฉันพบขณะที่ท่านกําลังออกบินสบาย เพงจะกดรอยตามท่านไปห่างๆจนถึงกุฏิของท่านที่บุกพารามจเหรอเนี่ยี่บุนนาจริงรจะฆ่าแม่เจ้าพี่ดีใจจริงๆอ๋อขอโทษนะสวรนะที่ให้เธอเงียบๆหรือตามลําพังไม่เป็นไรแล้นะที่สุดความจริงก็เปิดเผยตัวมันเองออกมาฉันเพิ่งรู้เดี๋ยนี้เองว่าหัวใจของเธอเป็นของคนอื่นแล้วเธอรอให้ฉันคอยเป็นเวลานานเพียงเพื่อจะแกล้งทรมานเธอเล่นๆลาไป วันหลังพกนี่นอ้าวจะกลับไปเหรอสุวัฒนากลับแล้วแม่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 เรื่องเรวตาที่พยายามปกปิดมานานนักหนาแล้วล่ะสิเห็นทีลีลาวดีต้องเป็นคนบอกเรื่องนี้ให้สุวัฒนาต้ถูก น, นังลูกทลายยศเปิดเผยความด้ให้เขาฟังหมกกดแล้วกิจยศชื่อเสียงมงมงกิะกูนสิ้นสุดเกิงคราวนี้เองว่าไงล่ะแมะ่บอกข้าไปเจ้าที่ว่าเรวตาคือใครเออใครเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้เจ้าฟัง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 แม่จะเล่าความจริงให้เจ้าฟังเดี๋ยวนี้ล่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้เรื่องเป็นอย่างนี้แหละสุวนะัฒนาข้าพเจ้าเพิ่งกระจายที่นี้ออืม แม่เองก็ได้พยายามทุกวิถีทางแล้วที่จะให้ลีลาวดีเลิกจากพระเรวตตะซะแต่ลีลาวดีก็ยังหลงรักพระรูปนั้นยังลืมหูลืมตาไม่ขึ้นจนแม่น่ะหมดปัญญาไม่ทราบว่าจะทำยังไงดีหมายความว่าอุปสรรคขัขวางทางชีวิตเข้าไปเจ้าอยู่ที่เรวตตะคนนั้นถูกแล้วไม่มีพระเรวตตะซักคนเดียวทุกอย่างก็ราบรื่นอเอเรื่องนี้แม่ไม่ต้องเป็นหวง ไว้เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าเองเจ้าจะทำอะไรเหรอสุวัฒนะแม่คอยดูแลกันข้าพเจ้า จ, จัดการยังไงกับพระรูปนี้เข้าเจ้าลาก่อนขอให้โชคดีนะสุวัฒนะข้าเจ้าต้งโชคดีแล้วก็ทำงานทุาเร็จองแน่ ลาดีจงรักักดีต่อท่านเพียงได้ลีลาวดีไม่เคยทรยศต่อท่านแม้ด้วยความคิดแต่แม่ก็พยายามบังคับให้ลีลาวดีแต่งงานกับสุวัรนากุมารให้ได้ลีลาวดีกุ้งใจเหลือเกินถ้าท่านยังสงสารลีลาวดีอยู่ก็ขอให้เร็วแต่สินใจช่วยโดยเร็วที่ท่าจะปล่อยให้ลีลาวดีตกอยู่ในกรรมือของคนอื่นอย่างนั้นสอคะ สิขกข้าพเจ้าเป็นคนใจแข็งแต่เมื่อเห็นหน้าลีลาวดีเลยได้ฟังคําพูดของเธอก็กลายเป็นคนใจอ่อนสงสารลีลาวดีอย่างจับใจท่านค่ะสึกใช่ไหมคะน้าคะสึกเหรอเธอจะให้อัตมาสึกคะสึกแล้วไปอยู่กับลีลาวดีเราจะมีความสุขอยู่ด้วยกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ไม่มีอะไรจะมาพราวเราจากกันได้รับปากกับลีลาวดีสิคะไม่าจะด้สึกอัตมาที่นบอกสิคะว่าจะสึกลีลาวดีจะได้ดีใจเมื่อคีนนี้เกือบจะรับปากกับเธอแล้วสิว่าจะลาสิกขาดีแต่ว่ายับยั้งไว้ได้ถึงแม้จะไม่ได้พูดออกมาทางวาจาแต่ใจนั้นรับอย่างเต็มที่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 จะได้อยู่ใกล้กันหน่อยรีลาวดีจะได้สุขใจไม่ค่ะท่านข้อ น, นี้อาตมาไม่ขัดขอ้องอาตมาจะกลับไปที่เชตาวานารามลีลาวดีดีใจมากค่ะกลับไปพร้อมลีลาวดีเลยนะคะกลับไปเดี๋ยวนี้เลยอย่างก่อนอาตมาจะยังกลับเดี๋ยวนี้ไม่ได้เธอกลับไปก่อนเถอะจะทิ้บไปเมื่อไหร่คะพรุนี้เช้าอาตมาถึงจะกลับจริงนะคะ ที่อาตมาพูดนี้เป็นความจริงถ้าอย่างนั้นลลาวดีขอลาก่อนุนี้ท่านนี้ไปแต่เช้านะคะอาตมาจะไปแต่เชา้าลลาวดีไปแล้วคะ่ะ เราคิดหนักตามเคยความสงบสุขภายใต้ร่มกาสาวัตัณฑหวนกลับมาทําให้เลงเลใจอีกแต่ความสงสารลีลาวดีก็สามารถปราบมันลงได้ตัดสินใจอย่างกล้าหาญอีกครั้งหนึ่งจะต้องสุดไปร่วมชีวิตกับลีลาวดีสุวัฒนากุมารมีส่วนช่วยในการตัดสินใจครั้งนี้อย่างสําคัญถ้าเขาไม่มาแทรกในเรื่องของเรา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 อ๋อฤวตัตมาเมื่อไรอะ่ะข้าพเจ้าออกเดินทางแต่ชาตรู่เพิ่งจะมาถึงเดี๋ยวนี้เองชื่นใจจริงๆที่มาเห็นพระเชตวนารามต้นวสันตรดูชุม่มชื่นรื่นรมน่าอยู่มากนะอาจารย์จริงทีเดียวน่าอยู่มากต้นไม้ทุกต้นกำลังสลิ ด, ดอกออกช่อสพรัง่งพระภิกษุสงฆ์ก็ดูครับขัาน นั่นเป็นด้วยพระบรมศาสดาได้เสด็จกลับมาจากเมืองสาเกตมาประทับอยู่ประจำแล้วพระบรมศาสดากลับมาแล้วล่ะเนี่ยข้าพเจ้าเพิ่งรู้แล้วนี่แกวมาทำไมล่ะที่นี่ข้าพเจ้า เ, ออเราบอกแล้วไงว่าอย่ามาเพราะที่นี่จะทำให้จิตใจของแกวซึ่งเกือบสงบแล้วต้องตืนตัวขึ้นมาอีกซึ่งไม่ใช่ผลดีกับเจ้าเลย ทั้งที่ดีแล้วควรกลับไปซะเลยวัตถะข้พาพเจ้าตั้งใจกลับมาอยู่ที่นี่กลับมาอยู่ที่นี่ถูกแล้วข่าอาจารย์ข้พาพเจ้าไม่กลับไปบุพารามอีกแล้วทําไมล่ะเรวตัตถะข้พาพเจ้าอยู่ที่โ น, โนูนจิตใจไม่สงบเพราะอะไรจิตใจข้พาพเจ้าเกิดกังวลขึ้นมาอีกอยากจะกลับมาประจําอยู่ที่เก่าคิดดีแล้วหรอเรวตัตถะข้พาพเจ้าคิดดีแล้ว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 ก่อนจะกลับไปที่พนักแต่แวะเยี่ยมพระสุมาณซึ่งเคยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่คราเป็นโจนเพื่อนเก่าแก่ที่จากกันไปนา น, านๆเมื่อกลับมาพบกันอีกก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันได้เล่าเรื่องภายในใจให้เพื่อนฟังอย่างไม่ปิดบังทั้งบอกความตั้งใจที่จะศึกด้วยสะหายนั่งนิ่งฟังอย่างสนใจไม่ออกความคิดเห็นดใดๆ เรื่องเป็นอย่างนี้แหละสหายเห็นทีชีวิตในพระาศาสนาของข้าพเจ้าคงสิ้นสุดลงพราวนี้อย่างแน่นอนสหายละ่ะยังมั่นคงต่ออุดมคติแห่งพระาศาสนาดีอยู่หรอเวลานี้ยังมั่นคงดีอยู่แต่ต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่อาจจะรู้ได้แต่ถ้าจิตใจยังอยู่ในสภาพอย่างนี้เรื่อยไปข้าพเจ้าคิดว่า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 ก็เท่ากับประยะทางหนึ่งเก้าในแสนโยชนันน้นเองชีวิตนี้จริงน้อยเกินไปสำหรับข้าพเจ้าไม่พอที่จะเจดเอาไปหาความเพลิดเพลินจากโลกีิยสุขข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะรีบเร่งต่อไปให้ถึงจุดหมายอันยิ่งใหญ่คือพระนิพพานททีจะได้หยุดการเวียน่หยตายเกิดอันน่าเบื่อห น, า, ห น, า, หนายนี้สหายคิดชอบแล้วแต่ข้าพเจ้าท่านทไม เรวัตถ์ข้าพระเจ้าเห็นจะต้องตกเป็นทาสของความเบียนไหวยตายเกิดไปอีกนานทำไมละ่ะเพราะจิตใจยังเป็นห่วงโลกอยู่มากเฉพาะอย่างยิ่งข้าพระเจ้าหลงไหลใฝ่ฝันในสตรีเพศเป็นที่สุดข้าพระเจ้าเองก็เคยหลงไหลแล้วท่านคิดอย่างไงข้าพระเจ้าคิดถามตัวเองว่ากา